ที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วก็ไปพักกับคนไทยโยมคนหนึ่งฐานะนก็พอใช้ได้นะแต่ว่าอยากจะทำงานดีเหละคือเปิดร้านร้านอาหารร้านอาหารแบบอาหารไทยง่ายๆนะเป็นอาหารที่เรียกว่าใส่ห่อไปกินที่บ้านได้แก่ก็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 ก็คอยสังเกตนะว่าอเจ้าจอของร้านเนี่ยนะคือผู้ปรุงอาหารเนี่ยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรอา ม, ม่าแล้วมัง้งแกปรุงอาหารอย่างไรก็ศึกษาแล้วก็คอยสังเกตแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ยังยังไม่รู้เคล็ดลับมากพอไปมาหลายครั้งแล้ววันนึ่งก็เลยไปถามตรงๆเลยนะว่าเนี่ยอา ม, ม่านเนี่ย ทำอาหารอร่อยได้ยังไงข้าวขาวหมูเนี่ยใสอะไรลงไปแกตอบสั้นๆนะว่าเพ่อใส่ใจใส่ใจลงไปนะสาคัญมากเลยนะจะใส่อย่างอื่นก็ตามถ้าไม่ใส่ใจลงไปเนี่ยมันก็ไม่อร่อยนแล้วแกก็จํำมาไว้เลยนะจันยงคนนี้ก็จําเลยใส่ใจลงไปก็ไปเปิดร้านนะนะที่บ้านอนะูเทร็ก็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 ก็เลยเขียนจดหมายมาขอบคุณช่างแต่งผมคนนี้ช่างแต่งผมคนนี้ก็ตกใจนะเพราะว่าตอนที่ทำผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเธอก็ทำอย่างที่เคยทำกับคนก่นกอนๆแต่ทำด้วยความใส่ใจนะเมื่อใส่ใจเนี่ยมันก็จะเห็นนะเห็นแง่งงามของลูกค้าแต่ละคนแต่ละคนนะ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 ใจถ้าเราฝึกให้ใจอยู่กับ น, นื้อกับตัวเอาเอากายนี่แหละเป็นบ้านของใจนะใจเราก็จะอปุ่นแต่เมื่อเราปฏิบัติเราก็จะเริ่มรู้นะว่าเออกายเนี่ยนะมันเป็นบ้านของใจที่ดีได้นะเอาใจไปอยู่กับกายนะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดความสมัคคีกันมันก็จะเกิดความรู้เนืรู้ตัวเกิดความตื่นขึ้นมานะแล้วก็เกิดความเบา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 แล้วจมอยู่ในความทุกข์วันลาวันแล้ววันเ ล, ล่านะเวลาทํางานก็ไม่มีความสุขมีเวลาอยู่กับบ้านก็ไม่มีความสุขนะใจมันแบกทุกข์ตลอดเวลานะจมอยู่ในห่วงอารมณ์นะใ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยการเที่ยวนะหรือว่าการอ สนุกสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่บุจคลตัด ว, ว่าเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนําสุขมาให้เป็นสุขที่ยั่งยืนนะเป็นสุขที่อไม่มีพิษไม่มีภัยไอ้สุขอย่างอื่นเนี่ยมันมีพิษมีภัยนะ ส, สุขจากการเที่ยวการเล่นนะ สุกจากการไปขับรถสิ่งเนี่ยสุกจากการกินเหล้าเมายาหรื อ, อสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวเมาหัวรา น, น้ําเนี่ยนอันนี้มันเต็มไปด้ผิดภัยหรือแม้แต่สุขจากการไปกินโน่นกินนี่นะมันก็เป็นของชั่วคราวแม้แต่ไปดูหนังฟังเพลงมันก็สุขประเดียวประดาวนะแต่ถ้าเราสามารถจะ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 ไม่ใช่ว่าลำคาญที่จะอยู่กับเราเพราะเราคอยบน่นชอบบน่นชอบจำจีจำชัยเราทำงันเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเครียดเครียดจากงาน แ, แล้วก็พามาพอมาถึงบ้านก็วางไม่ได้ความเครียดมันก็สั่งให้เราระบายความทุกข์ใส่คนอื่น แ, แล้วเราก็ทำวันนี้ก็ระบายใส่พ่อแม่ใส่คนรักเส่แล้วก็มาเสียใจ